ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมธวัชชาเรื่องจะออกจากกามได้อย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16มีสายน2533ะนพุทธสถานสันติอโศกเขาเชิญท่านติตารบฟังได้นะบัดนี้ ความเจริญเจริญเนกขมวิตตกเพละกามวิตตกออกจากกามออกอย่างไรนะการออกจากกามเรียนรู้กามเรียนรู้อารมณ์ของกาม อ, อารมณ์ของราคะนะวิธีที่จะออกจากกามเป็นอย่างไรวิธีจะออกจากพยาบาทละพยาบาทจเจริญอัพยาบาทะวิตตกนะ ไม่ปองร้ายตรึกไปในทางไม่ปองร้ายผู้ อ, อื่นตรึกไปในทางไม่ให้มันมีกามดําริทั้งจิตจริงๆตกะวิตตกะจริงๆคำวิตกเนี่ยวิตตกะเนี่ยตกะวิตตกะจริงๆทําใจในใจปรับใจในใจจริงๆให้มันมีสังขารธรรมเพราะฉะนั้นมาถึงขันข้นเป็นวจีสังขารเราจะนึกคิดอย่างไรเราจะเอากามมาปรุงในจิต นึกคิดถึงสภาพกามมันมีความนึกคิดนะมีความปรุงนะสังขาร น, นะเป็นสภาพสังขารในตักกะในสภาพสังกปะเนี่ยความคิดเนี่ยความดาริความคิดสังกปะเนี่ยมันมีตกักะวิตกะสังกะปะอย่างแข็งแรงมีตัวจิตของเราเนี่จิตของเรามีอัปปนาพย ป, ปนาเจตโสอภินิโรปนามันมีเพราะเราฝึก มันมีพราะเราได้ละลดกิเลสจริ ง, รงๆแล้วจิตของเราตั้งมั่นแข็งแรงเป็นอัปปนาแนบแน่นเราจะปรุงยังไงยังไงก็ไม่เกิดการหวั่นไหวไม่เกิดการกินเนื้อกินตัวเราเองไม่เกิดสภาพกามมาแลบเลียหรือว่าดูดซึมแต่เราปรุงตามได้คิดตามได้นะระลึกตามสังคมระลึกตามคนอื่นปรุงตามคนอื่นเพื่อที่จะรู้ว่า แล้วคนอื่นเขามีสภาพสังขารอย่างนี้ขนาดอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกว่าจะไปสุกลับไปปรุงตามได้เนี่ยเราต้องละก่อนละการสังขารก่อนให้เกิดอั ป, ปนาพย ป, ปันาจิตของเราเนี่มันจะปรุงแล้วมันก็จะไม่มั่นคงมันจะกลายเป็นกามวิตกได้เสมอเพราะเราก็จะต้องค่อยๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมาละวางละวาง วางแล้วก็กลับมาคิดปรุงตามแล้วก็วางแล้ว ก, กลับมาคิดปรุงตามก่อนอื่นจะต้องรู้จักการวางซะก่อนมัดนี่นะพวกเราปฏิบัติทำสายพระพุทธเจ้าเนี่ยสายมีมรรคองแปดมีการเรียนรู้สัมผสัสอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันคิดปรุงตามกันอยู่บ้างแล้วแต่คุณฟังดีๆฟังแล้วคุณก็ต้องไปรู้อาการรู้อารมณ์เอ๊ะคิดปรุงตามไปมากแล้วเราไปกับเขามากแล้วนะคุณก็ยับอย่างของคุณเอง อย่าไปตามมากขนาดนั้นถ้าคือไปปรุงตามมากอีกเราเสียแต้มคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าอ๋อเราปรุงตามได้แค่นี้นั่นคือคุณมีอัปปนาเท่านั้นมีความแน่วแน่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงของจิตเท่านั้นเองปรุงตามมากกว่านี้ไม่ได้ปรุงตามมากกว่านี้เรารู้แล้วว่าอารมณ์กามของเราในชักจะยับยังไม่อยู่ชักจะปีอาการอารมณ์คุณจะรู้สภาพนั้นเองโดยตน นะอย่างนี้ไม่ดีแล้วไม่สะอาดล้ใจเราหวันไหวแล้วใจเราชักจะเป็นอัตสาหะเป็นรสของโลกิยะเป็นกามสุขลิกะหรือเป็นทุกข์แหมทุกข์จะจับยั้งไม่ไหวแล้วจะอะไรลําบากแล้วหรือไม่ยับยั้งไม่ไหวหรือยับยั้งไหวก็จะรู้ว่ามันวางเฉยหรือเปล่าปรุงตามแล้วยังเป็นกินเลส ปรุงตามและสภาพของเราหวั่นไหวไปเป็นสภาพรถอัสาธาหรือเปล่าถ้าเป็นอัสาธะเราก็จะรู้เราก็จะไม่เอาอย่าไปปรุงตามซึ่งฝึกศึกษาแล้วฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนจนกระทั่งมันเกิดอัปปนาพยปนาไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือคุณจะรู้อ๋อเราแข็งแรงขนาดนี้ตั้งมันได้ขนาดนี้ขนาดนี้ปรุงได้ขนาดนี้ปรุงไม่ได้ขนาดนี้เราจะรู้ของเราเอง มันจะรู้ว่ามันมีอุปกิเเลสหรือไม่มีอุปกิเลสมันมีรถยินดีตามโลกีรถยินดีตามโลกีนี่แหละจะต้องอ่านให้ชัดถ้ามันสงบลงไปซ้อนเชิงเป็นสุขอันสงบกับสุขที่เป็นสุขลริกระแยกสุขาริกระว่าปรุงตามและเป็นสุขแบบโลกียรรถ ถ้าว่าไม่ไม่หลักไม่ได้ปรุงปรุงตามไปแต่ก็ไม่ได้เกิดสุขลิกะก็ยังสงบอยู่เป็นความสงบที่มีเวทนารู้สึกว่ามันสุขสงบเป็นวุปสมโมสกอยู่คุณก็จะเปรียบเทียบได้เสมอๆปรุงตามไปก็ตามแต่ก็ไม่เกิดปีติไม่เกิดจิรดีไม่เกิดอร่อยไม่เกิดอุปกิเลสซ้อนเชิงนะไม่เกิดอุปกิเลสไม่เกิดฟูใจไม่เกิดรด สงบอยู่ได้ยังเป็นสุขสงบยังเป็นสุขสงบปรุงตามเคยสุขสงบเราจะเข้าใจว่าเราจะประมาณไว้เท่าใดสภาพอภิปโมทยังจิตสังขารสภาพปิติสภาพสุขคุณจะเข้าใจละเอียดพวกนี้ชัดเจนเห็นเลยว่าเราจะอยู่ในฐานอภิปโมทยัง จิตที่เราเบิกบานยินดีสดชื่นใสขนาดนั้นเป็นฐานอาศัยสมาทังทำให้มันได้ประมาณขนาดเสร็จแล้วพร้อมที่จะปล่อยเสมอเสมอเพราะฉะนั้นถ้าจิตของคุณรู้ว่านี่คือสงบสุขสงบนะสุขที่ไม่มีอัตต า, าคุณจะวิเคราะห์อัตต า, าออกได้ชัดหรือว่าสุขลิกะรถของโลกีได้ชัดชัด ช, ด ช, ดชดว่างจารถของโลกี จิตแข็งแรงเบิกบานจิตที่แข็งแรงและเบิกบานอยู่เป็นขนาดไหนคุณจะรู้สภาพนี้ของตนแต่ละคนเอามาเทียบกันไม่ได้เลยบางคนแข็งแรงมากปรุงได้มากบางคนไม่แข็งแรงปรุงได้น้อยแล้วก็ฝึกไปก็จะปรุงได้มากขึ้น ปรุงไดมากขึ้นก็วางก็แข็งแรงมากขึ้นนะจะเป็นสภาพอย่างนี้จริงๆเลยฝึกฝนไปฝึกฝนไปแล้วมันจะได้นะลืมตานี่แหละและนั่งใจโตสมถธหลับตาก็จะมีอุปการะอันนี้จิตของเราก็จะแข็งแรงอันนี้มาซ่อนเชิงมาเรียนรู้มาใช้ประกอบได้นะเพราะจะเจริญ เนกขมมาก็ดีพยาบาทก็ดีขออภัยมันจะไปเจริญลดจะเจริญเนกขมเลิเจริญอัพยาปาทะไม่พยาบาทไม่ปองร้ายเนกะขมคือออกจากการมจเจริญเนกขมถูกแล้วเมื่อกี้จเจริญพยาบาทไม่ถูกจเจริญอัพยาบาทอัพยาปาทะน ะ, จะเจริญอวิหิงสาที่จะไปไม่เบียดเบียนเราก็จะรู้สภาพผงนี้ไปว่าไม่ไม่เบียดเบียนตนก็เพราะว่ามันมากไปน้อยไป มันมากไปนี่เบียดเบียนตนมันไม่มากไปไม่น้อยไปนี่เรียกว่าไม่เบียดเบียนตนถ้ามากไปหรือน้อยไปเรีวยกว่าเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเราจะกำหนดรู้เป็นเนคคัมมสัญญาจะมีตัวกำหนดรู้ว่าเนคขัมะคืออะไรการออกจากกามคืออะไรอัพยาปาทะสัญญาการไม่พยาบาทคืออย่างไร ไม่ใช่ง่ายนะเราไม่พยาบามเราไม่รู้ในง่ายๆว่าเราพยาบาทเขาหรือเปล่าเราบอกเราดุนตุนตุนเบอกเอ้อไม่ใช่พยาบามหรอกอโหสิอโหสิคนที่กโลกร้องเขาพูดอโหสิทั้งนั้นอ่ะแต่เขารู้หรือว่าจิตของเขา น, นหมดความพยาบาทแล้วเขารู้จากอารมณ์พยาบาทได้สนิทเหรอเขาได้กําหนดหมายถึงอารมณ์ของเขาเข้าไปลึกขนาดไหนแต่สามัญก็พอพูดกันได้ไม่พยาบาทหรอก ไม่ขอแก้เอาคือเรามาแก้แค้นนะยับยับได้แต่ในอารมณ์ของจิตจริงๆแล้วมันมีความไม่ชอบใจมันมีความชังมันมีความรักมีความผูกพันไม่คิดถึงแล้วไม่ห่วงหาอาวรนแล้วพูดสามัญมันพูดได้ไง่ายๆ แต่ลึกๆมันมีความผูกพันอะไรอาวรห่วงหามันมีอยู่ขนาดไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื่นนะแค้นเคืองเหมือนกันพยาบาทแค้นเคืองมีอุอปนาห์ยังผูกพันอยู่ยังผูกความโกรธอยูอ่หรือไม่ชอบใจจะไม่ชอบใจนิดๆให้น้อยห ย, ยับยามันไม่เป็นแล้วละาวางได้แต่อรติไม่ชอบใจอยู่ยัง มันไม่มันไม่สนิทใจเรามันไม่เป็นมิตรสหายมันไม่ไมเป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องกําหนดเรียนรู้สภาพพวกนี้ลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆจริงๆนะเพราะฉะนท่านถึงมีสภาพของวิตกมีสัญญานะเจริญในขมวิตกเจริญในขมวิสัญญาเจริญในขมวิทัพ ทำไมต้องมีคําว่าวิตกทําไมต้องมีคําว่าสัญญาทําไมต้องมีคําว่าพระธาตุทั้งที่เน่คำ ม, มัเหมือนกันมันต้องมีลักษณะที่ต่างกันแหละในจิตในเจตสิกสัญญาเป็นเจตสิกวิตกที่จริงก็เป็นเจตสิกธาตุก็เป็นตัวสภาพของเจตสิกหรือจิตเหมือนกันเป็นธาตุนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นนามธ า, า, าตุในระดับ คุณสมบูรณ์ในการออกจากกามธาตุที่ออกจากการเลือกเนคขมธาตุเป็นธาตุที่สมบูรณ์แล้วเป็นธาตุที่ออกจากการการออกจากการเป็นกรรมเป็นเป็นสภาพที่ออกจากละกามมาธาตุธาตุที่เป็นกรรมธาตุที่ไม่เป็นกรรมในจิตธาตุนั่นแหละนามธาตุนั่นแหละธาตุที่เป็นธาตุแล้วคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วธาตุนี่คือตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ที่เขตั้งเป็นาธาตุอะไรจะเป็นทางภาษาโลกนะาธาตุไฮดโดรเจนาธาตุออกซิเจนาธาตุอะไรต่าง ต, ต, ต่างอะไรแต่เป็นถึงขนาดแก๊สขนาดอากาศก็คือตัวที่เขไม่ถือว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบมันดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นลักษณะนั้นแล้วเพราะในขนาะที่มันเป็นกามาธาตุกับเป็นลักษณะของเนคข ม, มาธาตุเนคข ม, มาธาตุคือาธาตุที่มันไม่มีกามเลย มันเป็นอย่างไรมันสมบูรณ์บริบูรณ์ยาวนานได้ถาวรเที่ยงแท้ได้อย่างไรหรือไม่แค่ไหนคุณก็ต้องเรียนรู้จริงๆต้องมีสัญญากำหนดหมายมีตัวเรียนรู้ของเรามีตัวสัญญาของเราีนสูงส่งตัวกำหนดรู้อ่านสัญญาเวทนามีสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติดับสภาพที่ควรดับธาตุที่ดับได้ เหลือแต่ธาต่บริสุทธิ์นี่จะต้องรู้คมธาตุและก็รู้เนกคมธาตุซึ่งเป็นธาติบริสุทธิ์รู้ว่าพยาปาทธาตุธาต ท, ที่มันมีพยาบาทอย่างละเอียดเป็นอารติอย่างนี้เป็นต้นเป็นความไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆเป็นธาติอรติอยู่จน ก, กระทั่งไม่มีแล้วเป็นอัพยาปาทะธาตุเป็นธาติที่ไม่พยาบาทไม่อะไรเลยแล้วแม้แต่ไม่ชอบใจก็ไม่มี ไม่มีมีแต่เบิกบานแจ่มใสจริงๆ จ, จะกระทบสัมผัสต่อคู่อค่าหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเราก็จ ะ, ะสัมผัสโดยเจตนาไม่เจตนาอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้ที่จะไม่เป็นอารมอยู่เที่ยงแท้หรอกวาระบางวาระหิวเมือ่อไเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วย อะไรอีกอะที่ว่ามันอ่อนแอเนี่ยเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วยเหนื่อยกับเมื่อยมันต่างกันเหรอก็ <c oughs> พูดไปแล้วเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาเหนื่อยนะั่นแหละเอเมื่อยกับเหนื่อยไม่ต่างกันนะเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วยในอะไรอีกดูมดยักษ์สี่เคยแยก เวลาง่วงเออเวลาง่วงพวกนี้อที่จริงง่วงก็เวลาไม่ชอบใจอ่ะเวลาที่เราไม่ได้อะไรเวลาที่เราเวลาที่เราไม่ได้อะไรสมใจเวลาที่มันไม่ได้มันมันมีตัณหามีกิเลสตัณหาแรงไม่ได้สมใจง่วงก็คือไม่สมใจอย่างหนึ่งอยากได้อะไรก็ไม่สมใจอย่างหนึ่งพวกนี้เวลาที่มีความต้องการที่ไม่สมปรารถนามีความต้องการจัด หนึ่งตอนเวลาที่เราเมื่อยเวลาที่เราหิวเวลาที่เราเป่วยเวลาที่เรามีอารมณ์ต้องการจัดพวกนี้มันรวมแล้วเวลาที่มีอะไรต้องการจัดนี่พวกนี้เนี่ยธาตุมันอ่อนแอจะเกิดเนคามะ ไม่ได้ง่ายๆจะเกิดอภพยาปาท่ไม่ได้ง่ายๆจะเกิดเอาวิหิงสาไม่ได้ง่ายๆนะมันกลับไปจะเกิดกามง่ายจะเกิดโกรธจะเกิดโกรธง่ายจะเกิดไม่ชอบใจง่ายๆหรือจะเกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านขึ้นมาง่ายๆ เพราะในเวลาวาระใดๆกันแล้วแต่เราก็ได้ศึกษาภาคเพียนฝึกฝนตรวจสอบตรวจอ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะนั่นแหละมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงว่าเรา ม, ามั่นใจว่าเออแม้แต่ตอนเราป่วยเราก็แข็งแรงนะร่างกายเราป่วยเนี่ยจิตใจเราก็ยังแข็งแรงไม่กรรมมาธาตุมันก็ไม่ค่อยจะมีมันเป็นเนกขมาธาตุใดดีด เป็นอัพยาป า, าทาธาต์ได้ดีเป็นอวบวิหิงสาธาต์ได้ดีตอนตอนที่เราไม่เมื่อยนี่นะคนมาลองของคนมากระทบสัมผัสหรือว่ามีกสิ่งกระทบสัมผัสที่น่าจะโกรธง่ายๆน่าจะเกิดกามง่ายๆน่าจะเกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอย่างง่ายๆเออมันก็แข็งแรงมันจะให้เราได้ลองในชีวิตนี่แหละ ในขณะที่เราหิวในขณะที่เราเมื่อยในขณะที่เราป่วยหรือแม้ไม่ป่วยเราหิวเราเมื่อยมันก็มีอยู่ทุกคนถึงวาระเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาที่กิเลส ข, ของเรามันมีเท่าไหร่ก็ตามแต่มันกิเลสเกิดจัดๆเสร็จแล้วก็มายั่วในขณะนั้นแหมกำลังหิวขนมอยู่เชียวเสร็จแล้วขนมมาเราก็มีกำลังของเราสู้ได้ว่าเออมีสติมีกาลัง ขณะที่กําลังหิวกําลังต้องการจะกินอะไรกําลังต้องการจะได้อะไรมาสัมผัสทงางตางหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามนะเมื่อกี้ว่ากําลังง่วงนะกำลังง่วงอยู่เชียวแมได้โอกาสนะเงียบสงัดได้โอกาสลมพัดกําลังโชยดีๆแต่สติแข็งแรงกําลังของจิตดี ตื่นไม่ง่วงแก้ไขได้ง่ายหรือว่ามันมีสิ่งประกอบที่มันมายั่วยวนมันก็ยังสามารถที่จะสู้ได้ชนะได้คุณจะรู้ตัวนะมานั่งเจโตสมาธเนี่ยคนขี้ง่วงเก่งๆมันก็หลับเก่งอยู่นั่นแหล ะ, พะลเพราะว่าเราติดกิเลสอันนี้จัดเพราะต้องแก้กลับแก้กลับแก้กลับจนกระทั่ง สามารถที่จะเอาชนะอันนี้ได้เพราะการมานั่งเจโตสมปราเท่าเท่ากับกาละที่อ่อยเยือชนิดหนึ่งปล่อยโอกาสชนิดหนึ่งให้มันลองดูซิลองของนูที่นี่นั่งทำเป็นตือนให้ได้สู้ให้ได้มาเขาว่าเข้าสนามซ้อมจริงๆรบจริงๆนั่นแหล ะ, น, ะนี่แหละเราจะต้องปรับปรุงธาตุฝึกสร้างธาต ที่มันเป็นธาตุที่สมบูรณ์นะเจริญอนัตตสัญญาเพื่อละอัตตนุทิฏฐิอันนี้ก็เห็นชัดเจนความตามเห็นนะอนัตตสัญญาคือการกำหนดว่าไม่ใช่ตัวตนกำหนดนี่ไม่ใช่ว่ากาหนดโดยนอกๆ ก, การตักกะสัญญาไม่ใช่ตักกะตักกะคือความนึกคิด การดำรินึกคิดส่วนสัญญานี่คือการกำหนดรู้ลงไปในความนึกคิดฟังให้ดีนะเป็นการกำหนดรู้ลงไปในความกำหนดนึกคิดหรือกำหนดลงไปรู้ไปในความรู้สึกกำหนดรู้ลงไปในเวทนาเมื่อเรากำหนดลงไปในความรู้สึกความรู้สึกของเราว่ามันตัวเป็นตัวตนคือมันเสพกิเลส มันมันฝึกปลือไปแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสที่เข้าไปสังขารในเวทนาเป็นโลกีสุขนั้นเป็นอย่างไรบอกว่าสุขเวทนาอ่ะสุขเวทนานี้เป็นสุขเวทนาโลกีสุขเวทนาที่เป็นวูปุสโมดุขที่เป็นฌานที่เป็นสภาพที่เพ่งเพียนนิวรณ์ออกไปแล้วเอานิวรณ์ออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นสุขอย่างที่เป็นเวทนาสุขที่เป็นวุปสมโมสุขกับสุขที่มันเป็นสุขาลิกะหรือเป็นโลกีสุขที่สมเสพมันเป็นยังไงตัวตนสัญญาตัวกำหนดหมายก็าต้องชอนใช้เขาไปรู้ถึ้งความรู้สึกพวกนั้นกำหนดรู้รู้จริงๆตามรู้อัตตาโนทิฏฐิต้องเห็นต้องรู้อัตตาพวกนี้ให้ได้ละเอียดหมด ถ้าไม่งั้นเราไม่หมดอัตตาอั ต, าอตภาพอะไรก็จะอุเบกขาได้ก็จะวางวางวางอยู่า ท, ท่านบอกว่าถ้ามีแต่อุเบกขานิมิตเอาแต่นิมิตเครื่องหมายว่าวางง่ายๆตื่นโดยไม่เรียนรู้อย่างชรใชัยมีสัญญามีเวทนาที่จะทำให้รึกซึ้งขึ้นไปอย่างนี้ตรวจสอบอาการอารมณ์เข้าไปในจิตจริงๆอย่างนี้ไม่หมดอัตตานะเพราะฉะนั้นเพื่อละอัตานาุทิถิ โดยเจริญอนัตตสัญญาสัญญากำหนดรู้อนัตตาไม่ใช่ได้แต่นึกคิดว่าเออความไม่มีตัวตนเป็นตะ ก, กะหรือเป็นสังกปะเป็นตกกะกศาสรเป็นศาสแห่งความนึกคิดเหตุผลเท่านั้นกำหนดรู้แต่เหตุผลไม่ได้ต้องสัญญาลงไปถึงเวทนาสัญญาลงไปในความรู้สึกสัญญาลงไปใน อารมณ์จิต ก, กำหนดรู้ลงไปถึงตัวตนถึงสังขารในในจิตเจตสิกมีจิตสังขารอะไรเข้าไปสังขารเพราะฉะนั้นสภาพของกลามก็ดีพยาบาทก็ดีการเบียดเบียนเอาวิงหักวิงสา ก, ก็ดีไม่ใช่ภาษาพูดแต่ต้องรู้ว่าหยาบกลางละเอียดของเรามีแท้แค่ไหนอย่างไรเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดความเห็นที่เห็นแจ้ง ในภาคความเห็นทิฏฐิในภาคสมาทิฏฐินี้มีองค์ธรรมอยู่มิจฉาทิฏฐิสมาทิฏฐิมีองค์ธรรมอยู่ถึงหกมีปัญญาปัญญิีสีปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพธชงสมาทิฏฐิมรักขังคะเพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมโดยองค์มรักคังคะนี่โดยอริยมรักปฏิบัติ สังกปะวารจากรรมมันตะอาชีวะทำการงานอะไรอยู่นี่แหละเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้เป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นสัมมาทิฐิแล้วเราก็ปไปจะปฏิบัติให้มีสติสัมโพธชงธรรมวิจัยสัมโพธชงองค์ที่สของปัญญาปัญญสี่ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพธชงถ้าไม่มีธรรมวิจัยสัมโพธชงที่จะวิจัยจิตเจตสิกของเราจงกระทั่งสัญญากำหนดหมายชอนชายลงไปอย่างที่กล่าวนี้ ไม่ทำจริงๆสมาทิฏฐิก็ไม่เจริญสมาทิฏฐิจะเจริญโดยของจริงเป็นทิฏฐิที่จะตามรู้อัตตานุทิฏฐิรู้สักกายทิฏฐิรู้อัตตานุทิฏฐิจะตามรู้สักกายถึงเป็นตัวตนหยาบๆจนกระทั่งถึงตามรู้ถึงอัตตาที่เป็นตัวละเอียดจนกระทั่งเห็นความไม่มีอัตตาคืออัคนตา ฉันคืออธิบายมาแล้วว่าเราต้องตามเห็นความไม่มีตัวตนนั้นโดยการสัมผัสรู้เห็นไม่ใช่แต่ตรรกศาสตร์เพอเราะจะเกิดสมาธิธินี่จะสง่งจะอ่านเป็นทิฐิความเห็นนสั่งสมเป็นปัญญาปัญญสีปัญญาผลปัญญาปัญญสีปัญญาผลเกิดเพราะธรรมวิจัยสัมโพธชงกับสมาธิธิกับมรรคังคะธรรมวิจัยสัมโพธชงส ม, มาธิธิมรรคังคะปฏิบัติยืนเดินนั่งนอน ปฏิบัติอยู่ทั้งสังกัปปวารจากรรมตะอาชีวะปฏิบัติไปเรื่อยมีธรรมวิจัยสัพพชงเดินพุทธชงอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวาพาปฏิบัติอยู่มีสติสัมพพชงให้เต็มมีธรรมวิจัยเรื่อยไปมีวิริยะสัมพพชงเสร็จแล้วเราจเกิดสภาพปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาสัมพพชงซ่อนเชิง ม, มีปิติก็คือตัวปิติที่ เมื่อกีเอเวทนาจตุกะสองมีปิติอย่างไรที่เราเรียนรู้กามรูปยบบาทรูปีหิงสาแล้วเราก็เอาออกเอาออกเราก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ดีขึ้นแล้วก็สงบปัจสัตติเป็นสุขที่สงบรู้ความสงบรู้ปัจจัทธิสัมโพชงรู้สุขที่เป็นเวทนาสุขเพราะปัจสัตติสุขเพราะสงบ โพดชงคือองค์ตรัตสรู้จะรู้โอปัสสัตตินี่มันสงบแล้วมันสุขเพราะสงบนะสุขเพราะปัสสัิเราเห็นปัสสัตติสัมโพดชงพิติปัสสัตติสัมโพดชงพิติสัมโพชงปัสสัิสัมโพดชงนี่และสมาธิสัมโพดชง มันต่างเพราะมันมีความมากขึ้นแข็งแรงขึ้นอินทรีย์ก็ปแปลว่ากาลังพลัก็ปแปลว่ากาลังมันมีตัวปัญญานะ่มีกำลังที่จะชอนชัยมีความแหลมคมและมีปัญญานั้นเป็นตัวแข็งแรงตั้งมัน่นเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิเพราะเจโตเท่านั้นเจโตสมถะก็สร้างความตั้งมั่นได้อย่างหนึง่งปัญญาที่มันแข็งแรง มันไม่หวั่นไหวเลยมันตัดสรุจนกระทั้งสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นปัญญาพละปัญญาทัศนวิเศษสมบูรณ์เนี่ยตัดสรุเป็นปัญญาวิมุตตเนี่ยมันแข็งแรงสุดยอดกว่าเจโตสมทุทักหรือเจโตวิมุตติด้วยซ้งทังกทททำ คือมีสมาธิยังมียังมีมรรคังคะอีกด้วยใช่สิต้องปฏิบัติทั้งยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติทั้งสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะทั้งในสภาพอยู่ปกติทำงานทำการมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมโนกรรมมีสังกปะมีวาจามีกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมสมบูรณ์พร้อมสับอยู่มีการงานประจาชีวิตสมาอาชีวะอยู่ พร้อมมันจึงจะสมบูรณ์จะไปเอาไปนั่งหลับตาเนะี่นสมบูรณนะ์ถ้าเข้าใจมรรคขังฆะเข้าใจสมาอธิวัตปฏิบัติทําด้วยมรรคองแปดไม่ครบครันอย่างนี้นะอย่างที่เขาปฏิบัติกันสมาธิก็เอาไปแต่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็บอกว่าการทําสมาธิเป็นทางเดียวไม่ทํางานทําการเลยแล้วเลิกทํางานทําการเหมือนดูสีเนี่ยไม่มีการพูดไม่ได้ยินเสียงไม่ไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้คิดนะมันวิธีที่ผิดไม่ใช่ทางเอกด้วย ไม่ใช่ทางเองเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยเป็นฤาษีไปหมดเนี่ยเอียงตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงสุดท้ายก็ไปเอาแต่นั่งสมาธิมักคังขะไม่เป็นมักองแปดแล้วไม่ปฏิบัติแล้วและขณะเราเรียนทุกวันนี้ในเราเรียนมักองแปดมาตลอดเวลาคุณเก่งขนาดไหนในขณะที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายควบคุมกายวาจาใจแล้วก็มีการพูด มีการคิดมีการงานต่างๆทําการงานอยู่มีผัดสะกับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนกรรมกิริยาทั้งเข้าของสมบัติพัดสถานวัตถุอะไรต่างๆนานาคุณจะผัดสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยคุณรู้เท่ทันเร็วขนาดไหนอ่ะมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายสัมผัสก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ได้เร็วและปรับได้ง่ายๆเป็น มุทุภูเตกรรมนิเยทีเตอนเนชปฏเตโอ้มันจะไปแต่เพ่งเผาได้ไง่ายมุทุภูเตมันจะแววไวรู้เท่าทันแล้วก็ดัดมันได้เร็วๆจนกระทั่งเหมาะการงานไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ในกรรมไหนกรรมนิเยกรรมนิยะในการกระทำอะไรอยู่ขณะนั้นขณะนี้จะคิดกอดตามกําลังพูดอยู่เต็มที่เลยทีเดียว หรือก็กํำลังทำการงานแบกขนกำลังทำงานอยู่กับเครื่องกลกำลังงานอยู่กับงานอะไรก็แล้วแต่งานอยู่กับความร้อนความหนาวทำอยู่เต็มที่หรืออยู่เท่ากับคนที่เป็นศัตรูด้วยซ้ำทำการงานเนี่ยกำลังทำการงานอยู่กับคนที่เป็นศัตรูด้วยซ้ำกำลังรบกันอยู่ด้วยซ้ำเราก็มีสติไม่ได้เกิดโกรธไม่ได้เกิดโลภเลยแม้กำลัง <j> uh, <g cherish> รบกันอยู่แท้ คุณจะมีความตั้งมั่นแข็งแรงขนาดไหนจะมีความพร้อมในการที่จะไม่มีนิวรณ์ทุกเวลาแม้กำลังรบกับศัตรูแม้ศัตรูกำลังยั่วยวนกำลังจะฆ่าเราคุณจะโกรธไหมเนี่ยเขาจะรุนแรงกับเราอย่างน้นอย่างนี้หรืออยู่กับ ป, ปลกปรดกลิ่นเสียงสัมผัส จิตของคุณแข็งแรงไม่ทําการงานเนี่ยปรุงอาหารอร่อยๆจะปรุงอาหารอร่อยๆให้คนกินเราเองก็จะต้องรู้ว่าอร่อยโดยสมมุติปรุงตามเขาเขาว่างนี้อร่อยปรุงตามเขานั่นแหละแล้วเราเกิดอัศรธรรมไหมเราเกิดอารมณ์กิเลสที่รับหม่อร่อยไปตามวิเคราะห์วิจัยในอร่อยนั้นออกไหมรสอร่อยมีในเราจริงหรือไม่มีเลิกปรุงเพื่อผู้อื่นเท่านั้น นี่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ตอนนั้นเราเราจะต้องฝึกปือไปจริงๆเลยอ่าเราก็จะต้องเข้าใจปัญญาของเราจะมีอินทรีย์พละเป็นปัญญาที่แข็งแรงขึง้นก็สั่งสมไม่ต้องไปคํานึงถึงมันหรอกว่าปัญญามันแข็งแรงอย่างไรนะมันเป็นอย่างไรบอกตายตัวไม่ได้หรอกบอกได้แต่ความหมายคํามันว่ามันมีกําลังเพิ่มขึ้นคําว่าอินทรีย์ก็เพิ่มขึ้นพะละก็เพิ่มขึ้นจากอินทรีย์เป็นปัญญาปัญญอินทรีย์ปัญญาผลเป็น ถ้าคะแนนนะคะแนนคำว่ า, าปัญญาก็เป็นคะแนนธาตุรู้ขนาดหนึ่งถ้าเป็นปัญญินซีก็เป็นคะแนนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนิดโตขึ้นมาปัญญาพละก็เป็นกำลังสมบูรณ์เป็นปัญญาที่เต็มตัวถ้าปัญญาก็คือเด็กที่กำลังเลี้ยงสาถ้าปัญญินซีก็กำลังหนุ่มแน่น กำลังโตเป็นหนุ่มวัยรุ่นถ้าปัญญาพระละก็หนุ่มแน่นเต็มที่สมบูรณ์ชะกันแล้วปัญญาที่สมบูรณ์มัน ไ, ไม่มีแก่นะปัญญาสมบูรณ์แล้วไม่มีแก่นี่สมมติเป็นคนเด็กคนหนุ่มนี่ก็สมมติไปเท่านั้นเองไม่มีแก่ปัญญาที่สมบูรณ์แล้วไม่มีแก่จะโทรมลงมาแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปแก่ถ้าเป็น ยานทัศนวิเศษแล้วที่ตัดสู้สมบูรณ์แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญาภละที่เป็นญานทัศนวิเศษและไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นผลของการปฏิบัติมรรคองแปดเพราะงั้นทมวิจัยสัมโพธชงสัมมาทิฏฐิมรรคังคะเป็นตัวปฏิบัติให้เกิดปัญญาปัญญินรีปัญญาพล <Yeah. S 1> ใชใ่กำลังแห่งปัญญาที่จะรู้ทางไปสู่ความเป็นอริยะ อันไหนเป็นทางไม่สู่ความเป็นอริยะอันไหนที่เป็นวิมุติไม่เป็นวิมุติไอ้นี่ตัวปัญญาพวกนี้เป็นตัวแจ้งเป็นตัวชัดเออยางนี้เป็นตัววิมุตอย่างนี้ไม่ใช่วิมุติก็เป็นปัญญาของตัวเองตัดสินทั้งนั้นเป็นตัวปัญญาที่แท้มันต้องเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของคนปัญญาที่เป็นเครื่องมือของคนที่จะรู้ว่าเอออย่างนี้วิมุตินะอย่างนี้ไม่ใช่วิมุตอย่างนี้ดีแท้หรือไม่ดีแท้ก็ต้องเป็นตัวจริงว่าปัญญาจริงนะเออ เปนอย่นี้รู้ถูกว่าอันนี้เป็นกุศลแท้อันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วอันนี้เป็นดำอันนี้เป็นขาวอันนี้เป็นนรกอันนี้เป็นสวรรค์อันนี้เป็นทางไปสู่ความเป็นอริยะอันนี้เป็นทางไม่ไปสู่ความเป็นอริยะอันนี้เป็นวิมุตติอันนี้ไม่ใช่วิมุตติเพราะตัวนั้นต้องมีของแต่ละคนทุกคนเองไม่มีแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราบรรลุไม่บรรลุอันไหนวิมุตติอันไหนไม่วิมุตติห ให้คนอื่นมาส่องแทนใช้เครื่องมือของคนอื่นไม่ได้มิเตอร์ของตัวเองหมดปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีมิเตอร์ของตัวเองหมดจจ ห, มงงหมดลงจึงหลงได้หลงได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เอาผิดในความหลงเพราะเขาจริงใจเหมือนกันแต่ปัญญาเขาคมเท่านั้นเขานึกว่ามันคมชัดแต่ที่จริงมันยังถื่ออยู่แต่เขาก็เชื่อปัญญาของเขาก็เอาผิดเขาไม่ได้เพระเาพระเขาไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้มีเจตนาลามก แต่ปัญญาเขาเข้าใจได้เท่า น, นั้นเหมือนเด็กไม่เดียงสาก็เอาเท่านี้เอาผิดไม่ได้ให้ฝึกฝนต่อไปถ้าเรารู้ว่าคนที่มีปัญญาสูงจริงเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่ยังไม่ได้จริงหรอกแต่มันเข้าใจผิดก็เมื่อเรารู้ว่าเด็กนี่แกพูดอย่างนี้มันไม่ก็ถูขกหรอกแต่มันก็อินทรีย์พลาแครนี้เราก็รู้เราเด็กมันจะไปพูดได้มากกว่า น, นี้ได้ไงมันก็จริงใจนะเราก็ต้องยอมอนุโลมเขาจะไปบอกว่าเขา ปลามกยังไม่ได้ปล่อยเขาก่อนทำเาเ ท, ท่านั้นเขาก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงทำให้เขาเจริญต่อไปถ้าไม่มีสภาวะแล้วนะฟังแต่ภาษายากนอกจากจะมีคุณจะมีตัวเหตุผลมีตัวตักกศาสตร์มีตัวภาษามีตัวอะไรแต่ไรที่จะมารองรับด้วยเหตุผลของบัญญัติ มากหน่อยคุณก็จะเข้าใจบัญญัติสูงแต่เอาละเข้าใจของเหตุผลของระดับฐานะของบัญญัติแล้วถ้าไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนเราเรียนรู้อะไรอะไรมาเยอะเลยนะเสร็จแล้วคล้ายๆกับคุณเรียนทฤษฎีสีมาสีเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนอ่อนจนกระทั่งถึงเหลืองเขาแย่ออกไปหลายเฉดหลายเฉดเดียวกันนี่แหละเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวอ่อนอ่จนกระทั่ง อีกเท่าไรคุณก็จะไปรู้เองเมื่อคุณไปลงมือทํำถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราการบอกบัญญัติเนี่ยพวกเรานี่เรียนรู้บัญญัติกันเยอะแต่ก็ฝึกอยู่แต่บัญญัติเหล่านี้บางทีมันไม่ละเอียดพอเราฟังแล้วเราก็ฟังเพ้อเพ้อฟังเพ้อเพ้อฟังอย่างประมาท ว่าเรารู้มากแล้วหรือแม้จะตามรู้จากบัญญัติที่พยายามอธิบายนี่ไปเพื่อที่จะให้รู้ความละเอียดของบัญญัติอีกบางทีเราก็แม้มันต้องเพ่งฟังตามอย่างละเอียดมากนะแต่มันก็รู้ไม่ไหวก็เลยเมื่อยเคยคิเกียรติรับกว่าจะมีสภาวะรองรับแล้เราถึงคุณจึงจะมีกําลังที่ง่าย อ, อย่างเราเข้าใจว่าจะปีนขึ้นไปบนภูเขานี่นะจะต้องมีฐานหินฐานนั้นฐานนี้ฐานนั้นรองรับคุณเองคุณก็ไปลองปีนดูเสร็จแล้วปีนดูรู้ว่าขึ้นไปตรงนั้นจะมีบันไดนั้นจะมีหินตรงนั้นรองรับแง่นั้นแง่นี้นะแต่คุณยังไม่มีกำลังที่จะปีนขึ้นไปตรงนั้นได้เนี่ยคุณก็ไม่อยากปีนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีกำลังปีนขึ้นไปตรงนั้นได้ คุณก็จะไปเห็นฐานใหม่บันไดใหม่ที่จะปีนขึ้นไปอีกคุณก็รู้อ๋อบันไดยอย่างงี้ปีนได้ได้ง่ายถ้าได้เหยียบบันไดนี่โอ้โหอย่างงี้แจ๋งเลยแต่คุณรู้แต่บัญญัติคุณก็รู้แต่บัญญัติคุณยังไม่ได้ปีนไปถึงตรงนั้นคุณก็จะไม่เห็นไอ้บันไดต่อไปอีกซึ่งมัน ไม่เหมือนกันทีเดียวบันไดแต่ละบันไดไม่ใช่บันไดอย่างที่ผู้โชคตัวอย่างมันบันไดมันก็จะเหมือนกันไปหมดไม่ใช่นะฐานที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่อื่นอีกมันก็จะเป็นอันอื่นไปอีกฐานที่เป็นเลื่อนไปสู่อื่นมันจะเป็นอันอื่นอีกคุณก็ได้แต่เรียนบัญญัติไปแต่คุณก็ยังได้แต่เดาเพราะจนกว่าจะได้เหยียบบันไดนั้นขึ้นไปแต่ละฐานแต่ละฐานคุณยิ่งจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นปัญญินรีปัญญาผลจะเพิ่มขึ้นด้วยไวยะอย่างนี้ เพราะการที่จะเรียนทิฏฐิความเห็นโดยตรรกศาสตร์เนี่ยเรียนไปได้มากมายแต่กําลังที่จะเกิดปัญญาปัญญินรีปัญญาผลนี่ไม่เกิดง่ายๆปัญญาปัญญินรีปัญญาพละเนี่ยเพราะคนที่เรียนตรรกศาสตร์เรียนทางด้านนักวิชาการดังด้านพวกนั้นนะได้แต่ทิฏฐิได้แต่ความรู้ความเห็นทางตกการรกะยังไม่เกิดปัญญินรียยังไม่เกิดปัญญาพละพเพราะฉะนั้นเขาลากกิเลส อ, อะไรไม่เคยได้ลาไม่เคยได้ ไม่มีกําลังความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างพวกเราเนี่ยนะมันละกล้ากล้าที่จะละเงินทองกล้าที่จะทิ้งเงินทองคุณมีปัญญาปัญญินรีปัญญาพราคนถึงละเสียสละสิ่งนี้คนที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติเขายังไม่มีฐานพวกนี้พวกนี้โง่ตายหามาทิ้งก็ไปได้เงินเงิ น, งนทองทองก็มีก็ะไระายหยุดไปยึดมัน่นถือมันมันก็ได้นี่นะ ถึงเวลาจะมีใช้เราก็ถึงเวลาจะใช้มัน้อไปเดือดร้อนไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทิ้งมันทําไมล่ะก็ทิ้งมันเลยเดี๋ยวดูสินเนี่ยก็มันมีมาแล้วก็อยู่ยึดมันถือมันมันก็พอแล้วเขาก็อยู่เงินน่ะให้เขาทิ้งจริงๆเขาทิ้งไม่ได้หรอกแต่พวอเราทิ้งจริงๆแล้วเราถึงจะได้มารู้ว่าโอ้ทิ้งอย่างนี้แล้วเอะเราอยู่ไปเนี่ยเราไม่มีไรายได้เงินเดือนแล้วเราก็มาอยู่ในนี้นะคนจะรู้เลหลายคนที่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยทิ้งเงินดาวเงินเดือนมา อยู่ไปอยู่ไปเอไม่ไหวจะรู้ฐานตัวเองว่ามันยังกินยังใช้นะไปขอเขาก็อยากไปเบิกชันทนาในยอดเหนียวเลยโอ้โหจะไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยเบิกยากจริงๆเลยใครนะให้ชันทนามาดูแลการเงินเนี่ยไม่ในเรื่องเลยไหมเราก็ทิ้งเงินทิ้งทองมาแล้วมาอยู่ในนี้นี่หนักเข้าถ้าเราเองยังมีฐานที่จะต้องใช้ต้องสอยต้องพอ อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินหรือไม่ก็จะต้องทุจริตอยู่ในนี้อมๆอย่างนี้คนนี้อย่างงี้อย่างนี้นนนแหลบๆเลียเรียต้อง อ, อะไรแต่ไรอยู่มันยังต้องใช้อินทรีย์พาราเราจะรู้เลยว่าเออเจอเข้าไปปีแล้วปีเล่านี่หลายปีเข้าสู้ไม่ไหวก็ต้องย้อนกลับไปหาเงินใหม่ร้อนไปหาเงินใหม่บางคนก็ทุจริตอยู่ในนี้มันก็สูเสียอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่ทุจริตทุจริตนี่บางทีมันก็ไม่หยาบเกินไปหรอกนะ อย่างแร่แเล็มเลมเก็บเงียบมิบเงบอะไรของคนนั้นคนนี้อะไรไว้มันมันใช่มันหยาบแต่ทีเดียวมันไม่ได้เป็นขึ้นขนาดทุจริตลักขมโมยโกงนะแต่มันก็ยังสะสมมันก็ยังต้องคอยมันยังต้องเดี๋ยวทอ็อปฟีมันยังต้องอมอยู่หน่อยหนึ่งมันยังละไม่ขาดต้องซื้อมันจะต้องมีอนนี้นี่นี่แหละเป็นรายละเอียดเพราะเราจะรู้ตัวของเราเลยว่า อินทรพละของเรายังไม่มีปัญญีย์ของเรานี่รู้นะรู้ปัญญาเนี่รู้หมดเลยความเข้าใจรู้หมดเลยแต่กําลังของเราอินทรพละของเรายังไม่พอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ยังไม่สมบูรณ์ศรัทธาหรือความเชื่อมั่นยังไม่พอยังไม่แข็งแรงคนึกว่าเราได้นึกว่าเราเชื่อได้แล้วว่าเราไม่เอาแล้วได้มันก็ยังมาเอาเล็กเอาน้อยย้อนไปย้อนมาบางคนก็กลับไปทํางานอย่างเก่าแต่หาเงินอย่างเก่า ต้องไปบำเพอไปบำรุงตัวเองอย่างเกา่าเพราะว่าอยู่ที่นี่มันไม่ถนัดแล้วแม่มันต้องพึ่งคนอื่นมันต้องคนอื่นมันก็ไม่ให้เขาไม่ไม่ให้เราเราก็ต้องอยากตองอะไรอยู่เงี้ยเราก็ยังทนไม่ได้ก็ต้องวกกลับไปผู้ได้ขัดเกลามามันจะเป็นเหตุปัจจัยให้ขัดเกลาเกลาจนกระทั่งได้เออได้อยู่รอดมันเป็นองค์ประกอบที่จะมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทฤษฎี ด, ดีกฎหลักเกณฑ์ดีมันขัดเกลารตรงนั้นเป็นแม่เป็นพ่อที่จะขัดวิญ ญ, ญาณตรงนั้น ขัดกิเลสในวิญญาณแล้วมันก็จะเจริญได้เมื่อมันเจริญได้รอดฟังเมื่ออยู่ได้ไม่ต้องกลับไปมีเงินมีทองอีกอยู่แค่เนี้ยมีกินมีอยู่มีใช้ก็ไปได้เรื่อยๆในสภาพพวกนี้มันจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์จริงๆเมื่อมันเกิดปัญญาจริงๆมันก็ไปปัญญาวิมุตต์จริงๆว่าเราขนาดนี้เราก็พอสันโดดได้มากน้อยได้ขนาดนี้เราไม่ไปเอาอีกแล้วมันสมบูรณ์จริงๆแล้วให้ก็ไม่เอา ถ้าก็ไม่ต้องไปเอาไปมีไปมาอะไรน่มันจะมั่นใจเองมันจะชัดเจนเองนะอ่ะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา